ข้อความในพระสุตันตปิฎกคุธกานิกายมหานิเทศสารีปุตตะสุตตานิเทศที่สิบหนะต่อจากครั้งที่แล้วหน้าห้า้อยแปดสิบท่านพระสารีบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อภิกษุอบรมตนอยู่เธอพึงเป็นผู้มีคลองแห่งถ้อยคำอย่างไรพึงเป็นผู้มีโคจรในาศาสนานี้อย่างไร พึงเป็นผู้มีศีลและวัดอย่างไรพิกษุนั้นสมทานศึกษาอะไรจึงเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นมีปัญญารักษาตนมีสติพึงกำจัดมนทินของตนเหมือนช่างทองกำจัดมนทินแห่งทองฉะนั้นคําว่าพิกษุนั้นสมาทานศึกษาอะไรคือพิกษุนนั้นถือเอาสมทาน ยึดถือยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิกขาอะไรเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นสมาทานสิกขาอะไรคำว่าสมาทานเนี่ยนะแปลว่ายึดถือแปลว่าถือมั่นยึดมั่นเนี่ยนะแต่ว่ายึดมั่นในกุศลถือมั่นในกุศลไม่ใช่ว่าฟังว่าอย่ายึดมัน่นถือมั่นก็เลยไม่เอาสักอย่างะนะกุศลก็ไม่สมาทานไม่ยึด ถ, ถือไม่ใช่ทัานคำว่าไม่ยึดมัน่นก็คือไม่ยึด ถ, ถือในอุปาทานขันท่า แต่ว่ายึดถือกุศลสมาทานกุศลประพฤติเพื่อพ้นจากขันธ์ห้าเนี่ยนะอันคำว่าการสมาทานศีลก็คือการยึดถือศีลยึดมั่นศีลถือมั่นศีลนั่นแหละเรียกว่าสมาทานศีลคำว่ามีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นที่บอกว่าสมาทานสิกขาอะไรจึงจะเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเนี่ยนะความว่ามีจิตมีอารมณ์เดียว มีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีใจไม่ถูกอารมณ์ร้ายกระทบเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่ามีสมาธิปเป็นธรรมเอกผุดขึ้นคำว่ามีปัญญารักษาตนความว่ามีปัญญารักษาตนเป็นบัณฑิตมีปัญญามีความรู้มียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาทำลายกิเลสคำว่ามีสติคือมีสติด้วยเหตุสีประการาคือภิกษุเมื่อเจริญสติปัฏฐาน พี่เรณาเห็นกายในกายก็ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายก็ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพี่เจรณาเห็นจิตในจิตก็ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายก็ชื่อว่ามีสติภิกษุนั้นเรียกว่ามีสตินั่นแหะมันก็มีสติเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเอง ท่านพระเถระย่อมทูลถามถึงอธิศีลสิกขา <asta> ด้วยคําว่าสมาทานสิกขาอะไรทูลถามถึงอธิจิตตสิกขาด้วยคําว่ามีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นทูลถามถึงอธิปัญญาสิกขาด้วยคําว่ามีปัญญารักษาตนทูลถามถึงความบริสุทธิ์แห่งสติด้วยคําว่ามีสติท่าน <asta> ในคาถานี้ก็คือทูลถามถึงไตรสิกขาคืออธิศีลสิกข า, าที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาและความบริสุทธิ์แห่งสติ เพราะว่าสิกขาสามเหล่านี้นี่แหละพึงกำจัดมนทินของตนเป็นเป็นธรรมะที่กำจัดมนทินของตนเนี่ยนะเหมือนช่างทองกำจัดมนทินแห่งทองฉะนั้นคนทําทองเรียกว่าช่างทองทองคําเรียกว่าทองช่างทองย่อมเป่าไล่กำจัดมนทินอย่างหยาบแห่งทองคําบ้างเป่าไล่กำจัดมนทินอย่างกลางแห่งทองบ้าง เป่าไล่กำจัดมนทินอย่างละเอียดแห่งทองบ้างฉันใดพิกษุก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันย่อมเป่าไล่กำจัดละบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งกิเลสอย่างหยาบของตนนี่นะซึ่งกิเลสอย่างกลางของตนซึ่งกิเลสอย่างละเอียดของตนกิเลสอย่างหยาบก็คือทุตเจริญสามกิเลสอย่างกลางก็คืออกุศลวิตกสามเนี่ยนะมีกามวิตกเป็นต้น ส่วนกิเลสอย่างละเอียดก็คือการตรึกถึงญาติเป็นต้นเนี่นะเรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดอีกอย่างหนึ่งภิกษุย่อมเป่าไล่กำจัดราคะนี่นะคือไล่กำจัดละบันเทาทําทให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งมนทินคือราคะโทสะโมหะมานะทิฐิกิเลสทุจริตของตนอันทําให้เป็นคนบอดทําให้ไม่มีจักษุทําให้ไม่มียานอันดับปัญญาอันเป็นไปในฝ่ายแห่งทุกข ไม่ให้เป็นไปเพื่อนิพพานอืก็คือกําจัดบาปอกุศลที่เป็นตัวทําลายปัญญาที่ไม่เป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งภิกษุย่อมเป่าไล่กําจัดละบันเทาทําทให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งมิจฉาทิฐิด้วยสัมมาทิฏฐิบันเทาซึ่งมิจฉาสังกปะด้วยสัมมาสังกปะะบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งมิจฉาวาจาด้วยสัมมาวาจา ทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งมิจฉากรรมมันตะด้วยสัมมากรรมันตะทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งมิจฉาอาชีวะด้วยสัมมาอาชีวะบันเทาทําให้สิ้นให้ถึงความไม่มีซึ่งมิจฉาวายมะด้วยสัมมาวายมะซึ่งมิจฉาสติด้วยสัมมาสติด้วยมิจฉาสมาธิด้วยสัมมาสมาธิซึ่งมิจฉาญาณะด้วยสัมมาญาณะหรือว่ากําจัด ละบันเทาทําให้สิ้นไปซึ่งมิจฉาวิมุตด้วยสัมมาวิมุตเนี่นะอีกอย่างหนึ่งภิกษุย่อมเป่าไล่กาําจัดละบันเทาทําให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้ง ป, ว ง, งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลภาพิสังขารทั้งปวงด้วยอริยมัสมีองค์8ปดการที่จะกําจัดกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนเนี่ย ก็ด้วยอริยมรรคทีนี้อริยมรรคมีองค์8ก็แบ่งออกเป็น4ระดับคือระดับโ ส, โสดาสกาธาคามีอนาคามีและอรหัตมรรคเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพึงกำจัดมลทินของตนเหมือนช่างทองกำจัดมลทินแห่งทองฉะนั้นสรุปคำถามที่กล่าวไปแล้วก็คือภิกษุนั้นสมาทานศิกขาอะไรคือที่ศีลสิกขาเนี่ยนะจึงเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นคือที่จิตสิกขา มีปัญญารักษาตนคือเมียที่ปัญญาสิกขามีสติเป็นความบริสุทธิ์ของสติกําจัดมนทินของตนคือกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดราคะโทสะโมหะกิเลสทุจริตหรือว่ามิจฉาทิมัมกหรือว่ากิเลสทุจริตความกวนกรวายความเร่าร้อนเรียกว่ามนทินของตนตถ้ามีไตรสิกขาอย่างนี้ก็จะกําจัดมนทินของตนเหมือนช่างทองกําจัดมนทินแห่งทองฉะนั้น นี่ต่อไปก็เป็นคําตอบของพระผู้มีพระภาคนะซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบดังนี้ว่าดูก่อนสาริบุตรเราจะกล่าวซึ่งความผาสุกและธรรมะตามสมควรนั้นอนะ่ะของภิกษุผู้เกลียดคือเกลียดวัตต์เนี่ยนะผู้ซ่องเซพที่นั่งและที่นอนอันสงัดผู้ปรารถนาสัมโพธิคืออริยมรรคแก่ท่านตามที่รู้เนี่ยนะก็ขยายคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนว่า คำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะพัวาเนี่ยนะพระพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นคำที่กล่าวด้วยความเคารพอีกอย่างหนึ่งคำว่าพักวาพราะทรงทําลายราคะโทสะโมหะมานะทิฐิเสียนน้ําและกิเลสเรียกจึงเรียกว่าพักวาเน้นว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ทําลายสมุทัยสัตว์บาปอากุศลเรียบร้อยแล้วหรือว่าพระองค์นี้จําแนกแจกแจงเฉพาะซึ่งธรรมรัตนะเนี่ยนะก็ สั่งสอนพระธรรมเนี่ยนะหรือว่าพระองค์นี้ทรงธทรำรที่สุดแห่งภพเนะคือภพนี้ถือว่าเป็นภพสุดท้ายสําหรับพระองค์นะพระองค์นี้เป็นผู้มีพระกายมีศรรมีลมีจิตมีปัญญาอันอบรมแล้วพระองค์นี้ซ่องเสพเสนาสนะที่สงัดพระองค์มีส่วนแห่งปัจจัยสี่มีส่วนแห่งอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาอันมีอัธรรถธรรมรรถวิมุตติรรถจึงชื่อว่าพระขา ตรองคนี้ชื่อว่าพระขาเพราะมีส่วนภาคะตัวนั้นแปลว่าส่วนพระผู้มีพระภาคก็คือมีส่วนคือมีส่วนแห่งชานสี่อัปปมัญญาสีอรูปสมาบัติสมีส่วนแห่งวิโมก8อภิพาญตนะแปดอนุปุพพิหารสมาบัติ9มีส่วนแห่งสัญญาภาวนาสิบกสินสมาบัติ10อานาปานาสติสมาธิอสุภสมาบัติมีส่วนแห่งสติปทานสี่สมะปทาน4อิทธิบาสีอินทรี่ห้าพละหโพชงเจ็อริยมัตมีองค์8 มีส่วนแห่งตถาคตพลยานสิบเวสารัชยานสี่ปฏิสัมพิทา4ี่พิญญาหกพุทธธรรมหกพะะนันด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวมาโดยย่อนี้จึงเรียกว่าพักวาคือผู้มีส่วนเนี่ยนะสรุปก็คือแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเออาแบ่งออกเป็นสามกลุ่มก็ได้คือกลุ่มที่คมว่าพักวากลุ่มแรกก็คือทาลายบาปอกุศลเนี่ยนะทลายกิเลสหรือทาลายสมุทัยสัตว์ กล่มที่สองก็คือเป็นผู้ที่มีการจำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะเนี่ยนะอันนี้เน้นไปที่พระมหากรุณาของพระองค์แล้วก็พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เจริญภาวนาเป็นผู้ที่ปฏิบัติคืออบรมกายศีลจิตปัญญาเรียบร้อยบริบูรณนะ์การอบรมกายศีลจิตของพระองค์ก็อบรมในเสนาสนะที่สงัด น, นะ ทีนถึงอยู่เสนาสะนะสงัดอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่มีไม่กันดานในเรื่องปัจจัย4เนี่ยนะเพราะเป็นผู้มีบุญอันสั่งสมไว้แล้วจึงไม่เดือดร้อนในปัจจัย4นี่พระองค์ถึงมีปัจจัย4เหล่านั้นพระองค์ก็ยังดํารงอยู่ในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยนะพันเมื่อพระองค์ดํารงอยู่ในไตรสิกขาอย่างนี้พระองค์จึงมีอัทธรสธรรมรสและวิมุตติรส นะเมื่อพระองค์ได้ธรรมรสนั้นนะ่ะพระองค์จึงมีฌาน4ี่อปมัญญาสี่อรูปสมาบัติ4วิโมก8อภิพายยตนะ8อนุปภาสมาบัติ9สัญญาภาวนาสิบกสินสมาบัติ10อานาปานาสติสมาธิหรืออสุภาสมาบัติมีส่วนแห่งโพธิปัคขยธรรมหรือมีส่วนแห่งญาณเฉพาะพระองค์อย่างเดียวคือเช่นตถาคตพลยานเวสารัญปฏิสัมพิทาพิญญาหกพุทธธรรมหกน่นะ ันด้วยคุณธรรมดังที่กล่าวไปจึงมาเรียกกันย่นย่อว่าพระวาหรือพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตรัสตอบว่าภิกษุผู้เกลียดเนี่ยนะผู้เกลียดก็คือผู้ที่เกลียดอึดอัดเอือมระอาด้วยชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาตภิกษุผู้เกลียดก็คือเกลียดวัตตนนั่นแหละ ค, คำว่าภิกษุผู้เกลียดในหน้าห้าหกสิบเอกล่าวถึงว่าภิกษุผู้เกลียดชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตอันนี้ก็เราคุ้นเคยกันะนะก็เป็นบทย่อๆแต่จริงๆก็มีคําขยายพิสดารไปว่าไม่กระทั่งเกลียดทุกในนรกเดรชานทุก เ, เปรตมนุษย์เกลียดการเกิดในคติ5ทั้งหมดนะเกลียดการเกิดในคันตั้งอยู่ในคันคลอดออกจากคันหรือรังเกียร ทุกที่ติดตามสัตว์ทุกอันเนื่องแต่ผู้อื่นหรือว่าเกิดจากการขวนขวายของตนหรือการขวนขวายของผู้อื่นที่เห็นเห็นก็คือทุกที่เกิดจากการสแสวงหาทุกที่เกิดจากทำรรมาหากินเป็นต้นนั่นแหละหรือทุกกระทุกสังขารทุก์วิปริณามาทุกข์หรือรังเกียจโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอาภาษต่างๆเบื่อหน่ายในความหนาวความร้อนนิ้วกระหายสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานทั้งหลายหรือว่าทุก ที่เกิดจากการปวดอุจาระปัสสาวะหรือวิปรโยคเนี่ยนะัพดพลากจากพ่อแม่พี่น้องทนะัดพลากจากลูกหรือว่าญาติเสียหายทรัพย์เสียหายสีนเสียหายที่ที่เสียหายก็เลยเรียกว่าผูกเกลียดก็คือรังเกียจเห็นโทษเห็นภัยของวัตตนนั่นเองคาว่าความผาสุขความว่าเราจะบอกความผาสุขคือความเป็นอยู่ผาสุขถามว่าความเป็นอยู่ผาสุขเนี่ยเป็นไง แค่ไหนจริงก็เรียกว่าผู้อยู่อย่างผาสุขก็คือคผู้ที่อยู่ด้วยความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นฆาสึกความปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ความปฏิบัติทมสมควรแก่ทำเนี่ยนะความปฏิบัติลักษณะนี้แหละเรียกว่าเป็นความอยู่ผาสุขสุขจริงๆนะเพราะกิเลสเป็นต้นไม่กลุ่มลงอันผู้ที่มีความผาสุกก็คือทําให้บริบูรณ์ในศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะ ประกอบเนื่งๆซึ่งความเป็นผู้ตื่นมีสติสัมปชัญญะก็ลักษณะของจารณะนะสีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมตันยุตาชาคริยานุโยคสติสัมปชัญญะหรือเป็นผู้ที่ประกอบหนึ่งๆซึ่งการเจริญสติประธาน4ี่สัมมประธานสี่ทิบาท4อินทรีย์5พละหโพชฌงเจอริยมัสมีองค์แปดหรือปฏิบัติ นิพานเพื่อและปฏิปทาเครื่องให้ถึงนิพานนี้ชื่อว่าความเป็นอยู่ผาสุกนั่นนะฝันพฤกษุผู้เกลียดบาปก็คือผู้ที่เกลียดก็คือเกลียดทุกโทษภายในวัตตะเกลียดบาปอากุศลก็ดำรงอยู่ด้วยผาสุกด้วยข้อปฏิบัติดังที่กล่าวไปนี่นะก็ปฏิบัติในจารณะหรือข้อปฏิบัติในโพธิภิกขยธรรม